ยาซีเรียสเรื่องยาหลังอาหารคุณเคยสังเกตไหมคุณหมอทุกที่จะเหมือนกันหมด พูดกับคนไข้แค่ส3าคำแล้วก็เขียนใบสั่งยาให้แล้วไม่อธิบายอะไรต่อทำให้คนไข้เข้าใจผิดบ่อยๆวันก่อนก็มีคุณยายคนหนึ่งไปหาหมอแล้วก็เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับใบสัง่งยาพอหมอตรวจเสร็จก็เขียนใบสัง่งยาบอกกับคุณยายว่ากินสามเวลาหลังอาหาร สามวันเท่านั้นได้เรื่องเลยคุณยายกลับมาหาหมออีกครั้งหนึ่งหมอถามว่าเป็นยังไงบ้างคุณยายโอ้อาการป่วยนะ่ะหายแล้วค่ะคุณหมอจะมาถามคุณหมอว่ายาที่เหลือจะต้องกินต่อไหยต้องกินต่อจนหมดที่หมอให้ครับโอย ยายอยากจะหยุดยาแล้วล่ะพ่อหมออ้าวทาไมละ่ะยาพ่อหมอกินอยากเลือกเกินกว่าจะกินได้แต่ละมื้อเหนื่อยแทบขาดใจอ้าวทาไมละ่ะเหนื่อยยังไงก็พ่อหมอสั่งยายว่าสามเวลาหลังวิหารจะกินที ต้องวิ่งไปหลังวัดสามวันนี้ยายวิ่งไปกล่าวครั้งแล้วโอ้ยเหนื่อยเลือกเกินคุณยายแกฟังผิดคุณหมอเกือบเจอข้อหาฆ่าคนแก่ตายโดยประมาทซะแล้วหลายครั้งที่เราทำตามที่ตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รถกายได้สัมผัสทั้งๆที่ทอ ว, วัยวะเหล่านี้อาจทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์แล้วแปลความหมายผิดดังนั้นเมื่อรับรู้แล้วใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปควรใช้สติไตรตรองให้ท่วนทีก่อนที่จะทำอะไรลงไปหรือตัดสินใจทำอะไรไปจะได้ไม่มานั่งเสียใจในภายหลัง Ha ha ha!